Mm hmm.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 เราซื้อมาได้ห้าสิบเขาซื้อมาได้ยี่สิบห้าก็ช่างเขาเราเราก็พอใจในของชิ้นนั้นแต่เปล่านะพอไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราก็เลยไม่มีความสุขเราอิจฉาเขาหรือเราสึกว่าเรานี่โง่เราน่าจะต่อให้มากกว่า น, นี้ว่าตัวเองตำหนิตัวเองลราก็เลยพลอยไม่รู้สึกชอบของชิ้นนั้นเห็นชิ้นของชิ้นนั้นแล้วมันรู้สึกเจ็บไปที่หัวใจเพราะมันเหมือนก็จะบอกว่า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 แล้วบางทีก็อาจจะคิดนึกถึงสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อกี้ติดประโยคหนึ่งก็ไม่เข้าใจก็คุ้นคิดอยู่กับประโยคนั้นว่าหมายความว่าอะไรอันนี้ก็เรียกว่าลืมใจไปละเพราะว่าใจมันหลุดเข้าไปในความคิดแล้วไม่รู้ใจเราต้องรู้กายรู้ใจลงในปัจจุบันรู้กายคือรู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่คิดเอาหรือไม่ใช่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 ในเรื่องตัวเองก็คือเรื่องกายเรื่องใจนี่แหละเรื่องรูปเรื่องนามแการที่มีสติก็จะทให้เราไม่เผลอเข้าไปในความคิดไม่เผลอเข้าไปในอารมณ์ถ้าเราเผลอเข้าไปในอารมณ์เมื่อไหร่เช่นเครียดโกรธมันจะหลงตามมาเลยนะจะหลงตามมาหลงว่าฉันโกรธหลงว่าฉันเครียดฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้เครียดนะ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 แล้วเรานี่ก็จะกลายเป็นเจ้าของความเครียดความโกรธความปวดความเจ็บขึ้นมาตอนนี้ก็เลยทุกข์ใหญ่เลยลเพราะนี่มันต้องเริ่มต้นจากการที่เร า, เรา ล, ลึกรู้หรือรู้กายรู้ใจในปัจจุบันไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่ถล่มก็ไปในความคิดไม่ถลเข้าไปในอารมณ์แล้วก็จะเห็น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 พอลืมก็เลยหลงเลยนะแล้วพอหลงก็ทำให้ลืมตัวมากขึ้นทีแรกมันลืมก่อนลืมสิ่งที่ทำลืมกายลืมใจก็เข้าไปในความคิดพอปรุงแต่งขึ้นความโกรธกรธมา ก, จา ก, าม ก, ามกจากความโุดิกลายเป็นความกรัวจากความกลัวก็โมโหก็หลุดปากด่าไปหลุดปากทำร้ายเข้าของอันนี้เพราะหลงในความคิดมันก็เลยลืมตัวแต่ที่หลงเข้าไปในความคิดมันก็เพราะ